คงยังปราศจากจุดหมายปลายทางด้านทิศใต้ลมพัดโชยมาอ่อนๆนาศิก์ประสาทของหลอนสัมผัสเข้ากับกลิ่นชนิดหนึ่งครั้งแรกมันเจือจางก่อนต่อมาเมื่อลมพัดแรงขึ้นกลิ่นก็ยิ่งจัดหลอนลุกขึ้นยืนทันทีสามชายที่กำลังยืนสนทนากันอยู่ริมแอ่งเห็ น, นอาการผิดปกตินั้นจับมองมาเป็นตาเดียว ใครเหรอน้อยชายันร้องถามขึ้นมาหญิงสาวทำจมูกฟุดฟิดฟุดฟิดแล้วเรียกพี่ชายกลางโดยเร็วพี่กลางพี่กลางคะ่ะลองขึ้นมายืนอยู่ตรงนี้กันน้อยหน่อยสิไม่สราบจมูกน้อยผิดปกติไปเองหรือเปล่าอนุชาทำหน้าสงสัยเพราะในระดับที่ต่ำลงไปทั้งสามคนยังไม่ได้กลิ่นอะไรทั้งสิ้น เขาไม่พูดอะไรแต่ปีนขึ้นไปบนก้อนหินยืนเคียงกับน้องสาวทันทีสีหน้าของเขาแสดงความประหลาดใจภายหลังจากร่อนจมูกสู่ถาทิศทางที่มาของกลิ่นอยู่ครู่เดียวก็จุงมือน้องสาวกระโดดลงมายังเชษฐาเฉยชฉยันทันทีมีซากเน่าช่วยกลิ่นมาจากทางด้านใตน้ระดับต่ำลงไปทางด้านนี้ครับไม่ห่างไกลนะ ซากน่าเลยเทศถาและชัยยันอูทานออกมาเบาๆเสียงเดียวกันขมดคิว้วครับไม่ผิดไปหรอกครับเดี๋ยวเราไปดูกันดีกว่าอ่ะตามผมมาครับก่อนที่ทั้งหมดจะเคลื่อนจากที่ก็เห็นร่างสูงใหญ่ของขยินกิ้วถังพลาสติกขนาดของสองใบเดินเทิงเทิงลับทางด้านของป่าหินตรงเข้ามายังแหล่งน้ำ อนุชาร้องสั่งให้วางถังน้ำไว้ตรงนั้นก่อนแล้วชวนขยินให้เดินตามไปด้วยจะไปไหนกันนายขยินถามเออน้าหมูปากแล้วก็ตามมาแล้วกันทรานชดบอกสี่คนบวกอีกหนึ่งที่เพิ่งจะเข้ามาสมทบก็ออกบ่ายหน้าเดินไปตามหมูก้อนหินทางที่มาของกลิ่นเน่าเหม็นนั้นทันที โดยการนำของอนุชาซึ่งคล่องแคล่วเท่าๆกับคนนุณดงยิงห่างแหลงน้ำออกไปในแนวลาดลงตำ่ำปยนนั้นก็ยิ่งโชยรุนแรงขึ้นทุกทีจนขยินผู้ไม่ทราบอะไรมาก่อนก็สัมผัสได้ร้องออกมาว่านายอะไรมาตายอยู่แถวๆนี้แน่ๆเลยภาวนาขออย่าให้เป็นศพคนก็แล้วกัน ดารินบอกเสียงแสดงความไม่เป็นสุขนะักทุกคนอยู่ในภาวะพิศวงและร้อนใจแล้วคำตอบก็ปรากฏชัดเมื่อทั้งหมดลับเหลี่ยมหินใหญ่สูงท่วมศีรษะก้อนหนึ่งโผล่มาพบอย่างกระทันหันห่างเพียงแค่ห7เจ็ดวาเท่านั้นทั้งหมดอุทานแทกเสือซากนั้นเป็นซากที่กำลังยุบ โซมแล้วของเสือลายผาากรนขนาดใหญ่นอนตะแคงอยู่ซากเน่าของมันมีรอยสัตว์บางชนิดกัดแทะกินเป็นอาหารตามธรรมชาติของซากที่ตายอยู่กลางดงซึ่งย่อมจะตกเป็นอาหารของสัตว์ที่มาพบเข้ามดและแมลงกลุ่มรุมเต็มไปหมดสภาพของมันนอนตะแคงอาการที่เคยขึ้นอืดชุดบัดนี้โสมลงบ้าง้ว ทันทีที่อนุชาปราดเข้าไปพิจารณาอย่างรวดเร็วดารินเชิดถาและชัยยันพยายามปั้นใจระงับกลิ่นอันเหม็นอย่างรุนแรงนั้นพรูเข้าไปสมทบพร้อมกับขยิบทั้งหมดรุมล้อมกันอยู่ที่ซาสนั้นอย่างพิจารณาแต่ความเหม็นเน่าเมื่อเข้ามายืนอยู่ใกล้ๆทำให้ยังไม่มีใครอ้าปากพูดคำใดก่อนทั้งสิ้น อนุชาโบกมือเป็นสัญญาณให้พรรคพวกลบหางออกไปยืนเหนือลงก่อนคงมีเฉพาะเขากับขยินเท่านั้นที่เข้าไปดูจนชิดอึดใจใหญ่จึงถอยออกมาตายมาประมาณเจ็ดหรือแปดวันแล้วล่ะครับจมูกน้อยไวมากที่เป็นต้นเหตุให้มาพบกับสร้างไอเสือตัวนี้เหตุผลในการตายละ่ะเทิดถาถาม กางแสกหน้าครับเหนือระดับลูกตาขึ้นไป น, นิดเดียวมีรูของกระสุนไรเฟิลขนาดใหญ่เจาะผ่านกระโหลกนักเดียวเท่านั้นเองครับดับเครื่องสนิทซึ่งการยิงแบบนี้ไม่มีอะไรจะต้องสงสัยต่อไปลระรัพิเนืเทพาชัยยันอุทานพร้อมกันส่วนดาริงยืนเบิกตาโพลอนุชายิ้มเครียด เอามือขยี้จมกูกพยายามหันไปทางที่ไม่มีกลิ่นแล้วสูดหายใจลึกโอกาสไหนบ้างละ่ะที่คนเราจะยิงเข้ากลางแสงหน้าเสือได้นอกจากขณะที่มันกระโจนสวนเข้าใส่เท่านั้นแล้วคนที่จะยิงเสือตัดประสาทสมองชนิดนักเดียวจอดผมก็ยังไม่เคยเห็นมีใครทํานอกจากคนที่ชื่อรับพินตัวปัญหาที่เรากําลัง ออกมาตามกันอยู่ขนาดนี้แล้ ว, ลวอนุชาก็หันไปส่งภาษากับขยินพักเดียวขยินจึงบอกกับทุกคนว่าไม่มีใครรอกนายที่หญิงเสือตัวนี้นอกจากนายราพินคนเดียวเท่านั้นแหละดูจากรอยกระสุนเข้าก็รู้เหตุการณ์มันเกิดขึ้นได้ยังไงพอจะเดาถูกไหมชยันถามมางงงง ก็เป็นการแลกหมัดกันนั่นแหละระหว่างกับพินไ้เสือตัวนี้มันกระโจนสวนเขาก็ยิงเขาให้ด้วยจุดสี่ห้าแปดแต่เข้าใจว่าสถานที่เกิดเหตุคงไม่ใช่ตรงนี้นะอาจจะเป็นละแวกใกล้ๆแอ่งน้ำนั่นแหละพอเสือตายก็คงจะขี้เกียจขุดหลุมฝังให้เสียเวลาก็เลยให้พวกลูกหาหามาวางทิ้งไว้ให้เป็นเหยื่อสัตว์ป่าตรงนี้นั่นไง ไม้คานหามยังอยู่นั่นไงพร้อมพูดอนุชาผู้ชํานาญต่อเหตุการณ์ของต่าก็ชี้มือไปยังไม้ท่อนขนาดเท่าข้อมือมีรอยถูกตัดออกจากต้นเดิมของมันหยาบหยาบยาวขนาดสองวาโยนทิ้งอยู่ใกล้ๆด้วยพร้อมกระ บ, บอกต่อไปว่าถ้าทายไม่ผิดธิรพินสั่งให้พวกนั้นหามาทิ้งไว้ตรงนี้ก็เพราะที่นี่นะ่ะเป็นบริเวณต่ำกว่าแอ่งน้านั่น เวลาสากมันเน่าเฟะหรือฝนตกชะสิ่งสุกภกจากซากเน่าจะได้ไม่ไหลลงไปในแอ่งน้ำรอยทะลุที่กะโหลกเป็นรูขนาดเอาหูแม่มือยัดเข้าไปได้นะ่ะเป็นกระสุนจุดสี่ห้าแปดแน่นอนเชษดาเอามือลูกครางครางออกมาว่าในลำคอดารินรีตามองซากเสือนิ่งขมิงยังกะจะเพ่งไงมันฟื้นขึ้นมา แล้เล่าเหตุการณ์ให้หล่อนฟังอย่างนั้นแหละชายันเป่าลมออกมาจากปากนี่เป็นหลักฐานสําคัญอีกชิ้นหนึ่งที่เราพบโดยไม่คิดว่าจะพบแต่เราไม่ถูกว่เหตุการณ์มันเกิดขึ้นในลักษณะอะไรอย่างไรรพินถึงได้มาฟาดไก่เสือตัวนี้เข้าออบริเวณนี้แล้วมันก็ต้องเป็นเหตุการณ์แบบจวนตัวกระทันหันแน่ ฉันไม่คิดนะวัยเสือตัวนี้จะกล้าบังอาจจู่โจมเขาเล่นงานระพินโดยตรงมันอาจจะพุ่งเข้าใส่ใครคนใดคนหนึ่งในคณะไหนจ้างแล้วนายนั่นน่ะในฐานะพรานคุ้มกันระวังคุมเชิงอยู่ก็กดตูมเขาให้รูปการมันไม่น่าจะเป็นไปอย่างอื่นเจตหาให้การคาดคะเนจากประสบการณ์ที่คุ้นเคยกับบุคคลผู้นั้นมาก่อนอนุชากับขยิน ชวนกันเดินสำรวจบริเวณใกล้เคียงอีกครู่หนึ่งแต่ก็ไม่ได้อะไรเพิ่มเติมในที่สุดก็เดินกลับมาที่เก่าพยักหน้านกลับไปที่แอ่งน้ํากันเถอะครับใครจะอาบน้ําอาบท้าก็ทํากันซะโดยเร็วจะได้กลับขั้นทานอาหารกันอย่างงงงงต่อหลักฐานที่เห็นอยู่ทุกคนรวมทั้งขยินเดินเกาะหมู่ย้อนกลับมายังแอ่งน้ําอีกครั้งพอลับมุมก้อนหิน ถึงตำแหน่งที่ขยินวางถังน้ำไว้ทั้งหมดก็แทบพังหักหลังอีกครั้ง89ด้วยสัญชาตญาณอนุชาชัยยันและเชษฐาตวัดไรฟฝนที่ถือติดมืออยู่ตลอดเวลาขึ้นไหลในพริบตาซึ่งก็เป็นเวลาเดียวกันกับที่ดารินร้องเอ็ดลั่นว่าอย่ายิ่งนั่นเจ้าดวนของฉัน คลายมื่คือมาซึ่งปรากฏตัวขึ้นอย่างลึกลับและเงียบกริบขนาดนี้ยืนรังงานทามึนอยู่ตรงตำแหน่งแปากทางด้านอันจะนำลงสู่แอ่งน้ำหันศีรษะมาทางฝ่ายมนุษย์ทั้งหมดพร้อมกับใบหูที่โบกวาดช้ า, ชาๆสีผิวของมันกลืนกับสีหินทุกก้อนที่แวดล้อมอยู่ในขนาดนี้และทันทีที่ได้ยินเสียงของดารินมันเงยหน้าขึ้นพร้อมกับชูงวง ร้องตอบมาเบาๆพร้อมกับดุมเดินเข้าหาทัานทีดารินดีใจสุดขีดร้องตะโกนเรียกมันซ้ําลั่นพร้อมกับวิ่งสวนเข้าไปหาในขณนะที่เชษฐาชายันและอนุชาก็จรวุกเข้าหลังบางหลังหินมื่อยังคงประทับเตรียมพร้อมอยู่เช่นนั้นขยินเพนอ้าวไปแล้วไปตั้งหลักอยู่ตรงตำแหน่งที่ซากเสือน่านอนตายอยู่ด้วยความว่องไวของมัน เสียงเชืถาตะโกนว่าน้อยระวังอย่าวัเข้าไปแต่นั่นไม่มีความหมายอะไรเลยน้องสาวไม่ยินยนหลนกำลังวิ่งปราดสวนหน้าเข้าไปหามันด้วยความปีติจนลืมตัวไม่มีใครจำเจ้าด้วนได้ดีไปกว่าหล่อนแม้จะมองเห็นจากด้านหน้าซึ่งช้างทุกตัวหน้าตามันก็แทบจะเหมือนกันทั้งหมดนั่นแหละจะแตกต่างกันก็แต่ขนาดของลำตัว และลักษณะของนาเท่านั้นทันทีที่เข้าถึงเจ้าพลายใหญ่โตมโหฬารตัวนั้นก็เอางวงสูดกลิ่นตามใบหน้าและร่างกายของหล่อนดาริงกอดงวงอันอยากกระด้านนั้นไว้แน่และมันก็ใช้งวงรัดเอวหล่อนยกชูลอยขึ้นจากพื้นเล็กน้อยหวัดไกวไปมาเบาๆเป็นการแสดงความยินดีเช่นกันแต่ดูเป็นที่หวาดเสียวมากสําหรับสายตาอื่น ที่จองขมิงใจเต้นไม่เป็นสัมในขณะนี้ด้วนหายไปไหนทั้งวันเลยนี่ฉันนึกว่าเธอจะไม่มาพบฉันอีกแล้วนะดารินพูดกํามันเสียงดังลั่นเจ้าด้วนจริงๆนั่นแหละหาใช่ช้างอื่นแปลกปลอมเข้ามาไหมมันค่อยๆวางร่างร่อนให้เท้าทั้งสองแตกพื้นตามเดิม แล้วปลายงวงสุดๆ ด, ดมๆอยู่ตามตัวของมันเช่นนั้นทำเสียงในลำคอเบาๆเมื่อ น, นั้นเองเชษฐาชายันอนุชาจึงพรล้ลมหายใจออกมาได้ลดปืนลงหมอมราชวงศ์สาวหันหน้ามาทางพี่น้องและเพื่อนพูดอย่างเร็วปรือแต่แตเต็มได้วยอาการเต้นๆยินดีเช่นนั้นเกือบจะลืมเรื่องอื่นใดลงชั่วขณะ เห็นไหมเห็นไหมในที่สุดเจ้าด้วนก็ไม่ได้ผลักทิ้งเราไปไหนมันมาดักเราเราอยู่ตรงนี้เองยังกะรู้ล่วงหน้าอ่านใจเราออกก็เราจะบายหน้าไปที่ไหนเฮือกเกือบไปแล้วไหมล่ะเจ้าด้วนอยู่ไม่อยู่พอเลียวมุมกระจังหน้ากันเลยนี่จะไม่บังเอิญเธอมาด้วยนะโผล่ไม่เห็นแบบกระทันหันย่างงี้มีหวังเจอลูกปืนก็ไปแล้วใช้ยันเกาต้นคอแกรกแกก บุญออกมาไม่เพียงแต่ดารินเท่านั้นแม้ชยันเองเชษฐาและอนุชาก็รู้สึกยินดีระคนประหลาดใจที่ได้พบเห็นเจ้าช้างตัวนี้อีกครั้งโดยไม่เชื่อว่าจะได้พบมันอีกหลังจากที่มันแยกเดินดุมดุมไปตามทางด่านของมันตามลำพั ง, งชนิดไม่สนใจเสียงตะโกนเรียกของดารินเมื่อก่อนเที่ยง วันนี้ทุกคนเดินเข้ามาใกล้ยพญาคดจษารใหญ่ที่แสดงอาการเชื่องและแสนพักดีกับหญิงสาวผู้เคยมีพระคุณกับมันเรากับจะเคยอุปถัมภ์กันมาแต่ชาติก่อนขันดารินนั้นพั่งพูดกับมันเรากำจะพูดกับคนที่ฟังกันรู้เรื่องต่อว่าต่อขาที่มันเดินพลัดหลอนไปเสฉเฉยแล้ลงท้ายด้วยการเอากําปั้นทุบที่งวงมันแรงๆ เหมือนจะลงโทษนี่แน่นี่แนะน่ถ้นะาหลังจำไว้นะถ้าเรียกแล้วก็หยุดหรือหันมามองมั่งไม่จะเดินเท่งเท่งไปตามอำเภอใจอย่างนี้ฉันโกรธมากรู้ไหมเมื่อตอนสายเนี่ยหล่อนปั้นปากต่อว่าจะด้วนยืนโยกตัวตรงานสูงงั้นอยู่เบื้องหน้าหล่อนเช่นนั้นมันคงอยากจะพูดเหมือนกันถ้ามันพูดได้ อีกสามคนเดินเข้ามาถึงซึ่งบัดนี้แต่ละคนก็รู้สึกไว้วางใจเจ้าด้วนพอสมควรแล้วว่ามันจะไม่เป็นอันตรายใดๆต่อทุกคนในคณะนี่เจ้าคุณด้วนแม่เขาต่อว่าไงทำไมถึงไม่แก้ตัวหรือพูดเถียงอะไรมั่งล่ะใช่ ย, ยันพูดหน้าตาเฉยกับเจ้าด้วนแย่ดารินแล้วก้มลงหยิบก้านไม้เล็กๆแห้งๆเปราะที่ตกอยู่ใกล้ๆ ส่งให้หญิงสาวเอา้าเขี่ยมันซะหนึ่งโหลข่าที่มันคขัดคำสั่งไม่ฟังเสียงเธอหัวที่เจ็บเลยนะดารินปัดไม้หักกระเด็นไปครึ่งยิ้มครึ่งบึง้งกระชากเสียงว่าบ้าแต่ชยันนี่อย่ามาประชดฉันนะประเดี๋ยวฉันก็บอกให้เจ้าด้วนจับเธอโยนขึ้นไปแขวนอยู่บนยอดไม้น่นซะเท่านั้นแหละ นัหล่อนก็หันไปทางช้างป่าที่กลายมาเป็นมิตรสนิทคู่ใจอีกครั้งตาเป็นประกายชื่นชมหล่อนรู้สึกปิติยินดีเป็นพิเศษทุกครั้งที่เห็นมันเข้ามาแสดงอาการพักดีรักใครอนุชาหันไปโบกมือเรียกขยินผู้ยังยืนตั้งท่ารีรออยู่อย่างปอดแหกเพราะขยินน่ะเห็นช้างทุกตัวเป็นศัตรูไปหมดมานานแล้วโดยเฉพาะไอ้ด้วนคู่ปรับ ซึ่งเคยกวดไล่มาจนป่ารากไม่น้อยกว่าสองสามครั้งพอถูกเรียกให้เข้ามารวมกลุ่มด้วยมันก็ยิ้มแห้งๆค่อยๆจดจดจ้องจองเข้ามาแต่แล้วก็สะดุ้งโยงร้องวัตั้งท่าจะเป็นหนีอีกเมื่อไอ้ด้วนสะบัดงวงชูสูงขึ้นร้องแวะเข้าใส่เหมือนจะด่าเพราะมันเองก็ดูท่าขม็นหน้าขายินอยู่เหมือนกันที่เคยเอาลูกซองยิงมันไว้ก่อนแล้ว มันจะไม่ระคายผิวแม้จะไม่ระคายขิ้วก็ตามทุกคนเห็นอาการนั้นก็หัวเราะอย่างขันขันดารินทมหน้าขึงขังดุสันทพเจ้าด่วนไวสั่งให้มันลดงวงลงและราจะฟังภาษามนุษย์เข้าใจหรือมิฉะนั้นก็อย่างรู้ด้วยกระแสจิตช้างป่าจอมเกเรที่เคยขึ้นชื่อในทุกละแวดสงบอาการ ที่ดูเหมือนจะคุกคามขยินลงทันทีขยินมานี้หลอนหันไปเรียกขยินเสียงแข็งจะนักเลงโตหลมช้างอิดออดอยู่แต่พอหลอนตะวาเฉียบขาดขยินก็กระดึกน้ำลายลงคอฝึดฝดเดินขาสั่นเข้ามาหลอนคว้าแขนเจ้ากระเลียงดงที่เคยมีอดีตร่วมเป็นร่วมตายกันมาก่อนแล้ว และรักมันเท่าๆกับลูกน้องพานพื้นเมืองคนหนึ่งของระพินจับไว้แน่นลากตัวมันเข้ามายืนประจันอยู่เบื้องหน้าของคคจสารใหญ่โดยที่ตัวเองก็คอยกำกับอยู่ประกาศขึ้นดังๆเป็นภาษากะเหรี่ยงเอาละทั้งสองคนเอ้ยไม่ใช่หนึ่งคนกับหนึ่งตัวเคยยินแล้วก็ด่วนนะฟังยันพูดนะต่อไปนี้ ไม่มีการอาฆาตจองเวนอะไรกันอีกทั้งสิ้นเรื่องที่แล้วมาทั้งหมดใครจะยิงหรือด่าใครหรือใครจะไล่กระทืบใครเอาเป็นว่ายุติสทีมาเป็นมิตรกันในสนิทใจที่สุดขยินก็อย่าด่าเจ้าด้วนอีกนะและเจ้าด้วนก็ต้องไม่แสดงอารมณ์ร้ายอะไรกับขยินอีกเข้าใจไหมช่างยืนสงบนิ่ง คนก็ได้แต่ยิ้มแห้งๆส่วนพี่ๆและเพื่อนมองหน้ากันเองกระพริบตาอยู่ปริบๆเป็นไงน้องสาวแกถ้าจะเสียสติไปแล้วพยายามจะเป็นทูตสันทวะไมตรีเรียกช้างตัวหนึ่งกับคนอีกคนนึงมาปรับความเข้าใจกันให้ได้ชัยันพูดขึ้น เฉตาอนุชาไม่กล่าวอะไรมองจับตาเฉยอยู่ระหว่างอาการของนายด้วนกับขยินดารินพูดกับขยินต่อไปว่านี่ขยินจงทําตามที่ฉันสั่งถ้าไม่อยากจะเป็นศัตรูกับเจ้าด้วนอีกอะ่ะนานหญิงจะให้ขยินทำยังไงอะ่ะ เจ้าพ่อลุมช้างในอดีตซึ่งก็เกะกะเอเร่พอๆกับเจ้าด้วนนั่นแหละพูดเสียงอย่อยขาอย่างสั่นผับๆอยู่เช่นนั้นเพราะมองตาเล็กอย่างฉลาดและอย่างรู้ของช้างใหญ่ข้างหนึง่งจำเลืองจับอยู่หน้ามันปลับปเหลือกระยะห่างกันแค่งวงเอื้อมถึงซึ่งระยะขนาดนั้นนายหญิงไม่มีทางจะสกัดกั้นอะไรเจ้าด้วนได้เลยถ้ามันเกิดบ้าขึ้นมา ก็ไม่ต้องทำอะไรมากหรอกพูดเป็นไหมพูดในภาษาคนของเจ้านั่นแหละบอกขอโทษขออาหุสิกรรมทุกอย่างบอกเข้าไปเมื่อต่อไปนี้จะไม่ดา่าหรืหอจิกหัวเรียกเขาว่าไอ้ด้วนอีกแล้วถ้ยยินทำหน้าพิกลเยะเกยังไงบอกไม่ถูกถูในหญิงเคยยินเป็นคนนะเจ้าด้วนนะมันเป็นช้าง จะพูดกันรู้เรื่องนลยยังไงอะทาไมจะไม่รู้เรื่องฉันยังพูดกับเขารู้เรื่องเลยบอกให้พูดก็พูดสินั่นนายหญิงใจขยินพูดยังไงอะขยินบนอ่อยๆแล้วฝืนยิน้มใแย่ๆกับเจ้าด้วนสหายด้วนต่อไปนี้ เรากับเจ้าจงมาเป็นมิตรกันนะตามคำสั่งของนายหญิงอะ่ะข้าจะถือเจ้าเป็นเพื่อนไม่ล่วงเกินอะไรอีกแล้วส่วนเจ้าก็อย่าคิดร้ายกับข้าอีกนะด้าริ้งยิ้มออกมาได้อย่างพอใจอ่ะได้ยินไยาด้วนต่อไปนี้ขญิงจะไม่เป็นสัตรูอะไรกับเธออีกแล้วนะ เธอก็เหมือนกันถ้ารักฉันแต่ถนัดดีต่อฉันก็ต้องเป็นมิตรกับขยินและพวกเราทุกคนที่มาด้วยกันทั้งหมดให้ตลอดไปและพินเขาก็คงจะยินดีมากที่รู้เช่นนี้กล่าวจบล่อนก็หันมาทางขยินออกคำสั่งต่อมาว่าขยินเอื้อมมือไปจับสหายของเจ้าซะให้เกียรติขาก่อนเราได้ช้างมาเป็นมิตร ตัวหนึง่งไม่เสียหายหรอกมีหนำซ้ำเขาก็เคยแสดงให้เห็นแล้วว่าเขาช่วยเราแน่เมื่อเกิดเหตุร้ายอะไรขึ้นไม่ว่าคนหรือสัตว์ถ้าหากมีเมตตาธรรมเป็นที่ตั้งมีความจริงใจต่อกันก็ย่อมจะเป็นมิตรกันได้เสมอโดยเฉพาะอย่างยิ่งขึ้นชื่อว่าช้างเจ้าก็รู้อยู่แล้วนี่ว่าเป็นสัตว์ในตระกูลสูงเหนือกว่าเดริชานทั่วไปมาก มีความรู้สึกนึกคิดแสนรู้แล้วก็กระตังอยู่แต่ว่าแต่ในชั้นสัตว์เลยต่อให้มนุษย์ทุกวันนี้นะหาได้ยากนะเรื่องของความซื่อสัตย์นี่ขยินกลั้นใจค่อยๆเอื้อมมือไปลูบงวงเจ้าด้วนเบาๆพอเห็นมันยังสงบนิ่งก็ค่อยๆลูบๆคลำๆแล้วตกที่งวงนั้น ช้างใหญ่ชูงวงขึ้นเล็กน้อยพอเหนือสีษะของขยิ่นสูสดๆเตมๆพ่นลมฟูดลงกลางกระบาลเจ้ากระเรียงลมช้างแล้วก็เคาะจะงอยงวงเบาๆเสียงดังป๊อกลงไปกลางหัวขยิ่นเจ้าองคุลิมานแห่งลมช้างร้อง อ, อ๊บแทบขอย่นเพนพร้นรัดสมีงวงของมันออกไปบังหลังนายหญิง ทุกคนอดที่จะหัวเราะครืนกันออกมาไม่ได้ในอาการขี้เล่นของเจ้าด้วนแม้แต่ดารินเองขยินขยักปากจะดา่าขโมงโฉงเฉงอีเพราะถูกเคกะบานแต่แล้วก็นึกขึ้นมาได้หุบปากนิ่งจะได้แต่คอนเจ้าด้วนปลหลับปลาเหลือกใช้ยันหัวเราะจนท้องคัดท้องแข็งเข้ามาประคองขยินไว้ปลอบใจว่าเฮ้ย hey, ไม่เป็นไรหรอกว่าขยิน เองน่ะเคยยิงมันมาก่อนแล้วมันก็เข็ดกระโหลกเองหยอกๆท่า น, นั้นต่อไปนี้เชื่อว่าคงไม่มีอะไรแล้วล่ะฮอ้ยนายทหารเบาๆอะไรล่ะถ้ายิงจะขอทัดยนเจ้านั่นบ่นอุ่ยอีคลำหัวปอยเชตาสำรวจดูตามร่างกายของเจ้าด้วนอย่างที่วนไปยังไงมายังไงกันนี่ล่ะด้วนเดินมาคนละทางกันแท้นะ ผูมาดักตรงที่พักของเราจนได้อ่ะน้อยกลางแล้วก็ชายันช่วยกันเดินตรวจ ด, ดูรอบๆตัวมาหน่อยสิไปโดนบาดเจ็บมีแผลอะไรเพิ่มเติมมาอีกม้างหรือเปล่าเหมือนเหมือนสภาพช้างเลี้ยงทุกคนพากันเดินวนตรวจ ด, ดูตามร่างกายของเจ้าด้วนจนทั่วก็ไม่พบว่ามันจะมีบาดแผลอะไรมากไปกว่าเท่าที่ได้เคยปะทะ ขลุงช้างลึกลับที่ดักมุ่งร้ายหมายขวัญคณะเดินทางโดยชิงเข้าต่อสู้ป้องกันและให้สัญญาณเสียงเตือนให้ทุกคนรู้ตัวซะก่อนดารินถึงการเดินลอดใต้ท้องของมันได้อย่างสบายเจด้วนก็คงยืนโยกตัวช้าๆ่อยให้กลุ่ ม, มนุษย์เดินตรวจรอบๆตัวมันด้วนให้เธอลองเดินให้ฉันดูหน่อยสิ หม่อมราชวงศ์สาวตบที่ขาหลังพร้อมกับออกคำสั่งดังๆก็เป็นที่น่าประหลาดอยู่ภายหลังหล่อนพูดซ้ำๆอยู่สองสามครั้งพร้อมกับตบขาเช่นนั้นเจ้าด้วนก็ออกเดินอย่างช่มช้าให้ทุกคนเห็นทันทีไม่ได้ไปไหนไกลแต่เดินวนอยู่ใกล้ๆหมู่หินนั่นเองดารินดีดนิ้วโดยแรงอย่างพอใจร้องว่าเรียบร้อยครับพี่ใหญ่ ด้วนไม่ได้รับอันตรายจากอะไรเพิ่มขึ้นอีกเลยขาหลังที่เคยเยกก็เกิดจะเดินได้เป็นปกติแล้วล่ะไม่ใช่ว่าเพราะเดินเจ็บเพิ่มขึ้นมาจึงหวังจะมาให้น้อยช่วยอีกหรอกดีนะตามรับพินในคราวนี้น้อยได้ลูกตัวหนึงตัวใหญ่เท่าตึกคอยระวังดูแลมันดีกันแล้วกันอย่าเพิ่งไว้ใจอะไรมากนะักสัตว์หน้าขนนะพี่ชายใหญ่ว่า สัตว์หน้าขนบางขนณะก็ยังไว้วางใจได้มากกว่าคนหน้าเกลี้ยงซึ่งคอดในข้ององในกระดูกนะคะพี่ใหญ่น้อยรับผิดชอบเองเรื่องเจ้าด้วนนี่ขออย่างเดียวเท่านั้นแหละบางขณะมันก็แยกห่างออกไปแล้วก็วกกลับเข้ามาหาใหม่สําคัญใครอย่าตาฝาดยิงมันเข้าก่อนก็แล้วกันไอเรื่องที่จะกลับมาเป็นพิษเป็นภัยกับพวกเราน้อยรับประกันได้ไม่ว่าจะมีน้อยอยู่ด้วยหรือไม่มีก็ตามถึงพี่ใหญ่ พี่กลางชยันหรือทุกคนพวกเรานี่แหละก็น่าจะพูดกับมันได้รู้เรื่องภาษาไม่สำคัญนรกคะ่ะกระแสะจิตเป็นเรื่องสำคัญที่สุดไม่มีใครในบรรดาพี่ชายและเพื่อนอยากจะขัดใจน้องสาวคนเล็กเพราะเห็นว่าบอบช้ำระกำใจเกิดจะอยู่ในภาวะคุ้มดีคุ้มร้ายอยู่แล้วอะไรก็ตามที่เป็นความพอใจความสุข หรือทำให้หล่อนมีกำลังใจอบอุ่นขึ้นได้บ้างก็เป็นสิ่งที่ควรอนุโลมอนุชาวิทยุเรียกไปที่นานอินตรงแคมป์อีกครั้งพอแกพูดตอบรับมาเขาก็สั่งความว่าลุงอินไอ้ด้วนโปลก็มาให้เราเห็นตรงแอ่งน้าอีกแล้วนะลุงเตือนพวกเราทุกคนไว้ด้วยถ้าเห็นช้างโปก็ให้พิจารณาให้ดีซะก่อน อย่าด่วนบุมบามยิงเขาไปก่อนละ่ะเชื่อว่าทุกคนจะจํามันได้นะไอ้ด้วนโผล่ม่อีกแล้วเหรอไม่ชดแล้วตอนนี้มันอยู่ที่ไหนละ่ะเสียงนั้นอินถามมาตื่นตื่นก็ป่นเปียนใกล้ชิดอยู่กับพวกเราที่แอ่งน้ํานี่แหละขากลับอาจจะเดินตามเข้าไปด้วยสั่งให้ระวังไว้เท่านั้นแหละกลัวจะยิงผิดตัวเพราะพวกเราเองก็อาจจะถูกช่างอื่นจู่โจมเอาเมื่อไหร่ก็ได้ ยิ่ขอให้ดูให้ถี่ถ้วนสะ ก, ก่อนถึงจะยิงนานอินรับคำสั่งเสร็จรู้เรื่องกันดีแล้วอนุชาก็หันมาบอกพี่น้องว่าเอาละอาบน้ํากันเถอะครับประเดี๋ยวพวกนั้นก็คงจะมาลําเลียงน้ําไปเป็นน้ําดื่มของเราระหว่างทางต่อไปเรื่งเจ้าด้วนะไม่ต้องไปสนใจอะไรมันอีกแล้วละ่ะมันคงจะมาอยู่ใกล้ๆเราแถวนี้แหละครับว่าแล้วเขาก็สั่งขยิน ให้ยิ้วถังพลาสติกไปตักน้านเต็มเปลี่ยมทั้งสองถังหิ้วเอาไปวางไว้ในซอกโขดหินล้อมรอบลักษณะเป็นห้องมิดชิดพอจะอาศัยเป็นห้องน้ําได้แล้วหันมาขยับจะสั่งให้ดารินอันเป็นผู้หญิงคนเดียวของคณะเข้าไปอาบน้ําก่อนเป็นคนแรกแต่แล้วก็ชะงักเพราะเห็นหล่อนกําลังยืนจ้องดูอาการเคลื่อนไหวของเจ้าด้วนอยู่ด้วยความพิศวงอย่างไงพิกลเมื่อทุกคนมองตามไป ก็เห็นมันเดินช้าๆย้อนตรงไปยังซากเน่าของเสือซึ่งทุกคนขลักมาแล้วอันอยู่ไม่ห่างออกไปเท่าใดนักความใหญ่โตและมีสันหลังที่สูงล้ำขึ้นมาจากระดับหมู่หินทั่วไปทำให้มองเห็นร่างกายของมันอันตรงไปยังตาแหน่งนั้นอย่างชัดเจนพอถึงที่เสือนอนตายอยู่มันก็ส่งเสียงสั้นๆขึ้นแปลนึงนะ แสดงอาการหมุนวนหันรีหันขวางเอ๊ะนั่นนันไปที่ซากเสือถ้าทางเหมือนอยากจะบอกอะไรเราสักอย่างนะึ่งนะดาริงพูดเบาๆจ้องขมิงแล้วป้องปากตะโกนด้วนซากเสือตัวนั้นนะพวกเราเห็นแล้วและรู้ด้วยว่ารพินเป็นคนยิงไว้ เจ้าด้วนวนอยู่ตรงนั้นอึดใจเดียวข้อเ้ายาวๆในลักษณะกึ่งเดินกึ่งวิ่งเหาะเาะย้อนกลับมาที่ดารินรทันทีพอถึงงวงของมันก็ตวัดขวับไปจับข้อมือหญิงสาวไว้เมียาการเหมือนจะฉุดให้เดินกำลังของช้างสารกับกำลังของสาวน้อยนางมนุษย์ต่อให้แข็งแรงสักขนาดไหนหล่อนก็ยังเซทลาตามแรงฉุดของมันแม้จะเป็นอาการที่สุภาพ เบาแสนเบาสักเพียงใดก็ตามดารินร้องลั่นอะไรกันนี่ด้วยเธอเจ้าฉันไปไหนเชษฐาชยันและอนุชาไว้ตัวทันทีโดยเฉพาะอนุชาร้องบอกน้องสาวว่าน้อยอย่าพยายามกระชากแขนหรือขัดขืนมันไปเดี๋ยวแขนหลุดเดินตามมันไปพวกพี่จะตามไปด้วย รู้สึกว่ามันอยากให้เธอไปที่ไหนสักแห่งนึงดารินครั้งแรกก็ตกใจพอาพี่ชายบอกมาดังนั้นหล่อนก็ละล่ำละลักกับเจ้าด้วนว่าบอยไม่ต้องฉุดมือฉันหรอกจะพาไปไหนก็ไปบอยที่เดี๋ยวแขยงันาหากรกเจ้าด้วนพลายงวงที่รัดข้อมือหล่อนออกและใช้วิธีเสยปลายงวงผลักหล่อนให้ออกเดินนาหน้าโดยมีมันเดินตามไปข้างหลัง มุ่งหน้าย้อนลงไปตามทางด่านที่ไต่กันขึ้นมาสู่แอ่งน้ำอีกสามชายและขยินถือปืนตามที่หลังติดๆมาอย่างประหลาดใจขีดสุดชั่วระยะเส้นทางสั้นๆจากตำแหน่งแอ่งน้ำเท่านั้นเจ้าด้วนก็ผลักด้วยงวงเบาๆกระตุ้นให้ดารินเดินแย่เข้าไปในหมู่ป่าหินเตี้ยๆด้านขวามือแล้วอีกเพียงไม่กี่ก้าว มันก็นำมาหยุดอยู่ตรงบริเวณที่โล่งใต้โคนสยาใหญ่พื้นที่ตรงนั้นราบเรียบเป็นดินภูเขาสีแดงแต่มีก้อนหินขนาดครกตันน้ำพริก ป, ประมาณสิบกว่าก้อนวางกองพูนอยู่เป็นกลุ่มลักษณะมันเป็นการกระทำของคนไม่ใช่เกิดจากธรรมชาติช้างใหญ่ใช้งวงกว่าหินที่กองสูงกันเหล่านั้น กระจัดกระจายออกไปทันทีทำให้มองเห็นพื้นดินมีรอยขุดและกลบไว้เมื่อไม่นานนี้นะมันเอางาแทงเสยตรงตำแหน่งที่มีรอยขุดกลบนั้นแล้วร้องเสียงแหลมยาวดังกว่าทุกครั้งเฮ้อยอะไรกันนี่มีใครมาฝังอะไรไว้ตรงนี้วะชายันกระโดดเข้าไปดูเป็นคนแรกพร้อมกับร้องขึ้น ส่วนเชษฐาอนุชาก็พรวดเข้ายืนรายล้อมดูดารินนั้นยังไม่เข้าใจอะไรนักรู้แต่เพียงว่าเจ้าด้วนต้องการนำหล่อนมาตรงนี้ให้ได้เท่านั้นขยินวิ่งตามมาด้วยพอเห็นก็ซึ้ตัวลงนั่งเอามือลูบพิจารณาพลางพูดห้าวตันในลำคอพวกนายระพินฝังอะไรไว้ตรงนี้แน่นายแล้วคงไม่ลึกนะ ไม่เชนั้นก็คงไม่ขุดนก้อนหินมาวางทับสุมบนไว้อย่างนี้ถ้าขุดเราก็จะรู้ไอ้ยวนพาเรามาชี้ให้ดูกลางบอกลุงอินให้เอาพวสนามกับลูกหาบมาสองคนที่นี่เร็วพี่ชายใหญ่ของคณะสั่งเร็วปรอึอนุชาพูดวิทยุกับหนานอินอีกครั้งทุกคนรออยู่ณนะตำแหน่งนั้นอย่างไม่ลงมืออะไรลงไปก่อนทั้งสิ้น นอกจากช่วยกันสำรวจดูรอบๆ บ, ร, อบอริเวณซึ่งก็พอจะพบก้นบุหรี่ใบาจากของพวกลูกหาคณะรพินทิ้งไว้บ้างสองสามมวนแถวนั้นเสียงอนุชาบอกมาอย่างพิศวงวสุดขีดว่าเอ๊ะมันถ่าจะพิดลึกแฮะหญิงเสือใหญ่อยู่หมัดไปตัวหนึ่งแบก็ไปทิ้งไว้ให้เน่าแต่ตรงนี้มีรอยฝังชักสังหอนพิกล มีใครในพวกเขาถูกเสือกัดตายแน่เพราะตามรูปการแล้วซากศักด์เขาทิ้งไว้ได้แต่คงไม่ทิ้งศพคนไว้ทุเรศหรอกจึงต้องเอามาฝังไว้ตรงพื้นบริเวณอ่อนพอจะขุดได้แบบนี้แต่ถ้ามันเป็นศพคนก็น่าจะโชยกลิ่นขึ้นมาบ้านนะแต่นี่ไม่มีกลิ่นเลยยกเว้นแต่จะฝังลึกมากๆลักษณะของหลุมที่ขุดนี่ ขยิงก็บอกว่าดูแล้วไม่ธาจะค่จะไม่ลึกอะไรนักถ้าคนทั้งคนลงไปอยู่ใต้แผ่นดินตื้นตืนเพียงแค่นี้เจ็ดแปดวันที่ผ่านมาศพก็ต้องอืดเต็มที่ดันผิวดินปริฟูขึ้นมาแล้วนี่ไม่มีร่องรอยอะไระเชษถาว่าขนะดนั้นเจ้าด้วนก็ยังยืนสงบอยู่ตรงนั้นแกว่งงวงไปมาเหมือนจะบ่งความหมายให้ทุกคนทราบว่า มันได้นําดารินและทุกคนให้มาพบกับสิ่งที่มันต้องการให้พบแล้วชั่วอึดใจใหญ่ๆเท่านั้นนานอินก็เดินเคี้ยวปากหยับหยับเดินนาหน้าลูกชักลูกหาบสองคนมาอย่างรวดเร็วหนึ่งในสองแบกพลวสนามมาด้วยแกเกือบจะเดินผ่านทางแยกขึ้นไปยังแอ่งน้าแล้วถ้าหากว่าขยินไม่ยืนคอยดักตะโกนเรียกอยู่ พอมาถึงอนุชาก็เล่าคร่าวๆให้ฟังว่าพบซากเสือถูกยิงตายถูกนำไปทิ้งอยู่ตรงไหนต่อมาเจ้าด้วนก็ผลให้เห็นและเดินมายังตำแหน่งที่มีรอยขุดและกลบฝังนี้หลุมแค่ น, นี้เองไม่น่าจะเป็นหลุมใครแต่เดี๋ยวก็รู้ครูพานพูดเท่าก็บงการให้ลูกหากที่ติดตามมาด้วยช่วยกันขุดดินลูกรงังอันร่วนซุยนั่นทันที การขุดดำเนินไปอย่างง่ายดายไม่มีอะไรยากเย็นทั้งสิ้นเพราะพื้นร่วนมากผู้ขุดหลุมไว้มีอาการเพียงแค่ทําพื้นให้เป็นแง่แล้วโกลยดินกลบทับตื้นตื้นใช่มากกว่าจะเจตนาขุดให้เป็นหลุมกว้างลึกอะไรนักดังนั้นแค่ไม่เกินหนาทีลึกจากระดับดินกลบหน้าลงไปแค่2ฟุตสิ่งที่ถูกตบอยู่ก็โผล่ให้เห็นโดยการโกลยดินขึ้นมากองของลูกหัก เฮ้ยกระดูกหน้าแข้งกระโหลกโลกชา ย, ยันอุทานลั่นพร้อมกับกระโดดโยงเมื่อสิ่งอันเคยเป็นร่างกายมนุษย์เพียงแค่สองชิ้นนั้นถูกงัดให้กลิ้งครุกมาทางด้านที่เขายืนอยู่ทุกคนจ้องขมิงแปลกจริงนี่มันเป็นชิ้นส่วนของศพที่ตายมานานแล้วนี่ไม่ใช่ศพที่เพิ่งจะผ่านมาแค่เจ็ดปดวันดารินในฐานะแพทย์ร้องลั่น ทุกคนก็เห็นด้วยความงุนงงพร้อมกันทั้งหมดแล้วก็มองเห็นอย่างเดียวกับหญิงสาวเพราะกระดูกบริเวณหน้าแข้งนั้นบางส่วนยังมีหนังคล้ำค้ำแห้งเกราะหุ้มอยู่แล้วหัวกระโหลกก็ยังเหลือปล่อยผมบางส่วนสภาพของมันแห้งสนิทแล้วเหมือนเนื้อตากแห้งไม่ใช่ศพใหม่ที่กำลังขึ้นเ ฟ, ฟ, ฟะฟัไหขุดต่อไปสิเพื่อจะพบส่วนอื่นๆอีกบ้าง เชิดขาขามวดคิ้วอย่างสุดพิศวงสั่งต่อไปโดยเร็วลูกห่าสองคนก็ช่วยกันระดมขุดต่อไปอีกทันทีโดยมีขยินกรนหนันอินช่วยกันโกยดินอีกสองแรงต่อมาอีกพักใหญ่ก็พบหินดินดานอยู่ข้างใต้ลึกลงไปอีกเพียงแค่ฟุตเดียวเท่านั้นไม่สามารถจะใช้พลั่วสนามขุดเจาะต่อไปได้และไม่มีเศษกระดูกหรือชิ้นส่วนใดของมนุษย์ให้ค้นพบอีกเลย ตำแหน่งที่ฝังกลบไว้นั้นเป็นเพียงแค่หัวกะโหลกกับส่วนหน้าแค่งผุผุเท่านั้นเอ๊ะทำไมศพถึงมีอยู่แค่นี้แล้วมันเป็นศพของใครกันนี่อนุชาอนุอุทานออกมาแต่ไอ้ที่แน่แน่ก็คือพวกของระพินเป็นผู้ฝังกลบไว้แน่สภาพกบมันสภาพศพมันเก่าแต่รอยฝังมันใหม่ๆ แสดงว่าเขาก็คงเพิ่งจะมาพบซากที่ไม่สมบูรณ์นี่เอาในวันที่มาถึงที่นี่เหมือนกันเชตาออกความเห็นครูพรานผู้เฒ่า ย, ย่นหน้าเอามือลูกค้างคิดอยู่พักใจแล้วพูดว่าเดี๋ยวเดี๋ยวเจ้านายทั้งหลายนานอินพอจะมองเห็นอะไรเขาขาวขึ้นมามั่งแล้วขอหนันอินไปดูซากเสือตัวนั้นหน่อยเหอะ อนุชาสั่งให้ขยินนำหนานอินไปดูตรงบริเวณที่ซากเสือเน่านอนตายอยู่นั่นทันทีทั้งสองหายไปพักใหญ่ก็หวนกลับมายังตำแหน่งหลุมฝังชิ้นส่วนเก่าของศพอีกครั้งพอมาถึงหนานอินยังไม่พูดอะไรตรงเข้าไปที่กะโหลกนั้นทันทีก้มลงพิจารณาอึดใจเดียวแกก็บอกเสียงดังได้ยินไปทุกคนในที่นั้นว่า ถึงไม่เห็นกับตาพบหลักฐานแค่นี้นานอินก็เดาถูกหมดแล้วละ่ะว่าอะไรมันเป็นอะไรเดายังไงอะลุงอนุชาถามแกหัวรอ้อฮือในลำคอลุกขึ้นปัดฝุ่นจากมือถึงนานอินไม่บอกนายชดก็คงจะเดาถูกถ้าคิดไปถึงเสือกินคนที่เข้ามาอาละวาดที่ซับบอน หลาก็ลูกชายของนายปีหายไปชนิดตามร่องรอยไม่ได้แล้วคณะของนายรพินผ่านมาที่ซับบอนไอ้ปีก็บอกเรื่องเสือขอให้นายรพินช่วยตามแต่ไอ้ฝรั่งมันไม่ยอมบอกให้เดินทางต่อเออจริงสิแล้วยังไงต่อลุงชยันซักในขณะที่เชธาและดารินจ้องหน้านานอินเปง ก็ยังไงตอละก็เมื่อไอ้ฝรั่งเห็นแก่ตัวพวกนั้นมันไม่ยอมให้นายรพินช่วยตามเสือนายรพินแกก็ไม่ตามออกจากที่นั่นก็เดินทางมาพักที่โป่งน้ําร้อนนี่เลยไอ้เสือเวนตัวที่ลากเอาทีแย่ลูกชายเจ้าปีไปกินก็ตามคณะของนายระพินมาที่นี่ด้วยเพราะมันน่าจะรู้ว่ามีเหยื่อที่มันจะจับกินได้ง่ายกว่ามัวแต่เฝ้าอยู่ที่ซับบอน เพราะพวกนั้นน่ะเตรียมระวงังเตรียมพร้อมดักยิงดักจานเห่ากันอยู่แล้วซื้อมันคงลากเราทะเยมากินอยู่แถวๆนี่ละนายโดยคาบลากมาเรื่อยๆชิ้นส่วนของศพมันถึงได้ขาดขาดหาหายไปเหลือไม่ครบทั้งตัวเพราะมันหยุดที่ไหนมันก็แทะที่นั่นยังเหลืออยู่ก็คาบไปปากไปแทะ ก, กินต่อเรื่อยๆนายรพินบาฝรั่งมาพักค้างคืนที่นี่ ไอ้สือกินคนก็คงจะหมายเล่นงานใครสักคนใกลๆ้ๆบริเวณแอ่งน้ น, นี่แหละโดยซากเก่าของไอ้เทเยก็ยังแอบซ่อนอยู่แถวแถวนี้นายรพินแกก็เลยเต่าเข้ากลางกระโหลกดับดิ่นไปแล้วเอาเสือไปทิ้งไว้ตรงโน้นส่วนด้านนี้เพื่อไม่ให้ทุเรศในตาแกก็เห็นศพ บ, บางส่วนของไอ้เทเยแกก็เลยให้พวกนันถุยจัดการกลบเสเรื่องมันก็แค่นั้นเองนาะย อนุชาพยักหน้าช้าๆอย่างเห็นด้วยแต่เชษฐาหันไปถามน้องชายว่าไหนกลางเธอลองสรุปสิพี่ฟังลุงอินพูดมาเคยรู้เรื่องฮะ้ก็เสือกินคนตัวที่นายบ้านซับบอนเล่าให้เราฟังมาพบจุดจบโดยระพินอยู่ตรงนี้ล่ละครับพี่ใหญ่และระพินก็ค้นพบซากบางส่วนของทะเยด้วยก็เลยฝังจะเขาไม่ต้องออกตามให้เสียเวลา ตามที่นายจ้างห้ามไว้แต่เสือน่ะมันเสือตามพวกเขามาเองก็เลยถูกกำจัดลงได้ตอนที่เราผ่านซับบอลกระเรียงปีก็บอกพวกเราแล้วนี่ว่าภายหลังจากที่ระพินเดินผ่านพ้นหมู่บ้านไปแล้วกิจปวันที่แล้วมานี่ไอ้เสือกินคนที่ลากเอาลูกชายของมันไปก็ไม่ได้ปรากฏร่องรอยใดๆอีกเลยซึ่งก็จะปรากฏร่องรอยได้ยังไงล่ะพี่ใหญ่ก็ในเมื่อเพียงแค่วันต่อมาเท่านั้น มันก็เจอกระสุนของรพินดับแล้วเรายังทายกันไม่ถูกเท่านั้นเองว่าการพบซากของลูกชายกระเหี่ยงปีกับการยิงเสือตัวนั้นของรพินอะไรจะเกิดขึ้นก่อนหรือหลังเขาพบรากก่อนหรือยิงเสือก่อนแล้วจึงพบรากเอาทีหลังส่วนระหว่างยิงนั่นเราก็ลงความเห็นกันแล้วว่าคงยิงในขณะที่มันกาลังกระโจนเข้าใส่คนใดคนหนึ่งแน่นอนอาจจะเป็นลูกหาา หรืออาจจะเป็นฝรั่งพวกนั้นคนใดคนหนึ่งที่มาอาบน้าแถวแถวนี้ก็ได้อดีตเบาวนายคู่นี้เขารู้เขาเข้าใจอะไรกันดีฮะชายันพึงพำเบาๆส่วนดารินายังกันขาหล่อนเดินไปที่หลุมที่ขยายกว้างออกไปนั้นเพื่อจะตรวจดูให้แน่ว่าไม่มีชิ้นส่วนอื่นๆของศพอยู่อีกแล้วถามหนานอินว่าลูอิน ลุงสัรนิฐานตามเหตุผลสิ่งแวดลอ้อมแต่บอกฉันหน่อยได้ไหมศพที่เห็นแต่หัวกระโหลกและหน้าแข้งอันเดียวแค่นี้ลุงรู้ได้ยังไงว่าเป็นทะเยลูกชายของกระเรียงปีที่ซับบอลลุงอินแกก็ตอบหน้าตาเฉยว่าก่อนหน้านอินรู้จักไอ้ทะเยลูกชายของไ้ปีดีนี่ไอ้หญิงแต่จากซากนี่มันตายมาร่วมเดือนแล้วนะลุง หรือแต่หัวกระโหล ก, กเกษตรผมบางส่วนเท่านั้นลุงอิจําได้ไงว่าเป็นทะเยะหล่อนซักต้องการความจริงมากกว่าจะลองภูมิไราแกซึ่งความจริงนั้นอินก็ไม่ได้มีภูมาาิไรมีแต่ความชำนาญในอาชีพเดินป่าและรู้จักคุ้นเคยกับชาวป่าทั้งหลายเท่านั้นไหนหญิงนั้นอินน่ะจำหน้าไอท้ทะเยไม่ได้หรอกเพราะตอนนี้นะ่ะมันไม่ใช่หน้าของไอท้ทะเยแล้ว แต่เป็นหน้าผีแต่ถึงงั้นก็เหอะไอเ้เทเย่นะนหน้าฟัข้างบนของมั น, นสี่สี่ไม่มีไอ้หัวกะโหลกนั่นก็ไม่มีเหมือนกันนันอินก็ว่ามันเป็นใครอื่นไม่ ไ, มได้นอกจากมันนั่นแหละไอเ้เทเยนั่นคือหลักการพิสูจน์ตามแบบนิติเวชวิทยาเปียบซึ่งนันอินก็ไม่ได้ร่ำเรียนมาแต่มันก็ตรงกับหลักเกณฑ์ที่น่าจะสันนิษฐานเช่นนั้นได้ เชิดท ก, กระกะชัยันหันดูหน้าดารินเหมือนจะถามว่าพอจะรับฟังได้ไหมหล่อนก็ลอบพยักหน้าช้าๆเพราะตัวเองก็ตรวจสดตรวจสอบไว้เช่นกันศบนั้นฟันหน้าด้านบนหักไปสี่ซี่จริงๆเสียงนั้นอินเอ่ยถามรวมๆต่อไปว่าเจ้านายแล้วนี่ยังไงล่ะไอ้ด่วนมันพามาหาที่หลุมกลบซากนี่เหรอ ใช่ลุงดารินตอบมันธรรมาการประหลาดอยู่คือไปดูที่ซากเสือจากนั้นก็ทั้งฉุดทั้งดึงฉันให้มาที่นี่ที่แรกก็ไม่เข้าใจเหมือนกันว่ามันต้องการให้มาดูอะไรพอเห็นมีรอยขุดดินตก ก, ก็เลยสั่งให้ลุงเอาพลั่วมาลองขุดนี่แหละฮะถ้างั้นก็ชัดไอ้ด้วนมันต้องรู้อะไรดีๆนี่ถ้ามันพูดได้ มันก็คงจะบอกนายหญิงจ้อยจ้อยไปหมดละว่านายราพินไปทางไหนแล้วเกิดอะไรขึ้นบ้างนี่เราก็รู้กันละว่าศพทะเยที่เสือลาดหายไปถูกพวกของนายระพินค้นพบแล้วก็ช่วยฝังให้ตรงนี้เองโดยไม่ย้อนไปบอกข่าวให้พ่อมันรู้ไอ้ส่วนที่เสือที่ลาดทะเยไปกินก็ดับสิ้นไปแล้วโดยนายราพินไม่ต้องไปตามให้เสียเวลา มันโดดมาชนลูกปืนของแกเองไม่มีเสือกินคนตัวไหนอยู่ในป่าละแวกนี้ได้หรอกถ้านายระพินก็นยังอยู่เพียงแต่ว่ามันจะช้าหรือเร็วเท่านั้นแล้วแกก็หันไปทางเจ้าด้วนซึ่งยังยืนอยู่ใกล้ๆไม่ไปไหนและไม่แสดงอาการตื่นกลัวยังไงทั้งสิ้นแม้จะมีคนมาร่วมกันเป็นกลุ่มมากร้องถามว่าว่าไงไอ้ด้วนพอของเองนตอนนี้ไปอยู่สัที่ไหนละ่ะ ช่วยพาไปพบทีเอะเจ้าด้วนไม่ตอบเพราะมันตอบไม่ได้พูดปรึกษาดูซากกะโหลกนั่นอีกเพียงครู่เดียวเทฐาก็สั่งให้กลบซากไว้ที่เดิมจากนั้นก็บอกให้น้องสาวและเพื่อนกลับไปยังแหล่งน้ำตามเดิมเพื่อจัดการอาบน้ำกันซะให้เรียบร้อยเพราะเริ่มจะมืดลงทุกขณะแล้วนานอินกับลูกหาบสองคนที่ถูกเรียกมาก็กลับไปแคมป์ ส่วนเจ้าด้วนพอเห็นดารินเริ่มเคลื่อนที่มันก็ออกเดินตามต้อยต่อยไปเหมือนช้างเลี้ยงตามขวานและประพฤติตัวมีมารยาทดีที่สุดไม่ทะลึ่งลงไปเล่นหรือย่ำกัว น, น้ําในแอง่งที่มีอยู่จํากัดให้คุณเลยหากแต่ไปยืนหักยอดไม้กินอยู่ใกล้ๆกับตําแหน่งที่ดารินเข้าไปชําระสระสางกายเป็นคนแรกดารินอาบน้ําไปพลางก็คอยสังเกตดวงการของไอ้ด้วนไปพลาง มันยืนเหมือนผู้พิทักษ์อยู่ไม่ห่างจากวงล้อมของหมู่หินที่ใช้เป็นห้องอาบน้ำนั้นมันใช้งาเสรยมูลดินอันมีลักษณะเหมือนปลวกแล้วองวงกวาดใส่ปากซึ่งโดยประสบการณ์หล่อนรู้ว่านั่นคือดินโป่งหรือดินที่มีรสเค็มและมีแคลเซียมซึ่งสัตว์ป่าต้องการแน่และตำแหน่งนี้ก็มีชื่อเรียกรวมกันอยู่แล้วว่าโป่งน้าร้อนมันคือทั้งดินโป่ง และมีแอ่งน้ำซับซึมขึ้นมาจากใต้ดินความเย็นของอากาศที่มืดลงอย่างหวบหาบอันเป็นธรรมชาติของป่าดงทำให้รู้สึกหนาวสะท้านอย่างกะทันหันแต่น้าทั้งสองถังใหญ่ที่ขยินตักมาให้ซึ่งหล่อนจะต้องพยายามใช้อย่างประหยัดเพราะไม่ต้องการให้มันต้องหิวมาเพิ่มเติมบริการซ้ำซากบ่อยๆครั้งนั้นมีอุณหภูมิอุ่นสัมผัสผิวได้ชัด บริเวณนี้จึงถูกขนานน้ำจากชาวป่าไว้อย่างถูกต้องแล้วมีดินโป่งจริงมีแหล่งน้ำจริงและอุณหภูมิของน้ำก็อุ่นอยู่ชั่วนิดนิรัน์จริงเสียงพี่ชายทั้งสองชายยันและขยินนั่งคุยอะไรกันอยู่ใกล้ๆไม่ได้ห่างไปไหนเป็นเพื่อนอยู่อีกกลุ่มหนึ่งแต่ผู้หญิงชินป่าผจนภัยหนักมาแล้วอย่างดารินไม่เคยหวั่นเกรงอะไร ถ้าหากว่าไรเฟิลวางอยู่ใกล้ๆมือหล่อนเช่นนี้หล่อนอยากตะโกนพูดคุยอะไรกับช่างเพื่อนแก้วตามที่หัวใจร่ำปรารถนาโดยเฉพาะอย่างยิ่งอยากถามมันไปถึงชายคนรักว่ารู้บ้างไหมป่านนี้เขาอยู่ที่ไหนเป็นตายร้ายดียังไงช่วยนำทางให้ไปพบโดยเร็วสักทีเถอะแต่ก็ไม่กล้าที่จะเอ่ยคำใดออกมาดังใจได้เพราะพูดไปพวกพี่พี่เพื่อนๆน ก็จะหาว่าบ้าไปสกักเปล่าแล้วอีกประการหนึ่งคำตอบของเจ้าด้วนถ้าจะมีได้สำหรับหล่อนก็มีสําเนียงอยู่อย่างเดียวคือแอแอแอก็แค่นั้นเองหล่อนก็แปลไม่ออกว่าไอแอแ อ, อของมันนะ่ะหมายถึงอะไรนอกจากจะรู้โดยสัญชาตญาณว่าเป็นการเปล่งเสียงแสดงความพักดีเป็นมิตร เานั้ตะวันลอยตัวต่ำลงไปทุกขณะทางหุบด้านล่างแดดผีตากผ้าอ้อมสาดสลัวลงมาจับใบหน้าของหล่อนขณะที่ประสานมือทั้งสองวักน้ำในถังลูบหน้าอยู่เสียงชนีที่ไม่เคยเห็นวี่แววมาตลอดเริ่มโบกเวกมาแต่ไกลาจากดงในหุบหุบลึกเบื้องต่ำหล่อนซึ้งหยุดการเคลื่อนไหวไปอีก ตามือมองดูลำแสงตะวันชิงพลุลักษณะอันวังเวงนั้นและแล้วขณะนั้นเองในโสชสวลลึกสุดหรือไม่ฉะนั้นก็ทางกิบสัมผัสอย่างใดอย่างหนึ่งที่แยกไม่ออกดารินแววลำนำเพลงอ่อนหวานซึ่งเศร้าเพลงหนึง่งเีลาทุมต่ำทั้งไพเราะของเนื้อแบบกวี และท่วงทานองเยือกเย็นใจนั้นตอนจำได้ชนิดไม่ลืมเลือนไม่ควรจะเป็นเสียงของใครนอกจากแง่าสายอดีตคนใช้ชาวดงในยุคนั้นถ้อยคำอันเกือบจะเป็นบทร้อยกรองนั้นหลอนคลับคล้ายคลับคาว่าจะเคยได้ยินได้ฟังมาก่อนนานนมแล้วเว้นแต่จะไม่เคยสนใจ หรือเงียโสดตั้งใจสะดับในความหมายของมันเท่านั้นเพราะไม่มีเหตุผลใดที่จะต้องสนใจแต่ในบรรยากาศเช่นที่แวดล้อมตัวหล่อนอยู่ในขณะนี้หล่อนจำต้องใคร่ครวนตั้งใจฟังไปทุกวักทุกตอนเพลงนั้นมีใจความว่าสนทยา ฟ้าแดงสุรีร้อนแรงโรยอ่อนรอนแสงหมุนหมัวสกุนารียกหารังตัวชนีเพียกผัวรัวเร้าร่ำกราสวนโอ้ชีวิตชีวิตจิตใจ มันหมองมัวเป็นไข่พิไลพิลากครวนสิ้นตะวันสวงสันจาบันรังจวนเห็นลางพลบพลางร่างนวลให้โหยหวนชวนเศร้าสิ้นแสงสิ้นสีโศกแดง แฝงแดนใจเราสายันเงือมเงาลบลางสล่างสล่าจากห่วงหาวพราวใจฟ้าแดงฟ้าแดงผันแปรเปลี่ยนแปลงแผลงไปราบอาสันฉันยังฝันไย จูดแดนฟ้าอาไลยฝังรอยรักใครฝากเธอดารินวราฤทธิยกมือทั้งสองขึ้นปิดหน้าน้าตาไหลพรากกายสั่นเทิมนายหญิงครับการร้องไห้ ไม่ช่วยอะไรใครขึ้นมาได้หรอกครับนายหญิงเสียงนันปราศจากที่มาแน่นอนนั้นกระซิบหลอนหลอนสั่นสีสั่ทั้งที่ยังปิดหน้าเซือื่นอยู่เง่ซยสายฉันฉันทนไม่ไหวแล้วเสียงเพลงของเธอมันบีบคั้นหัวใจฉันเหลือเกิน ทำไมนะทำไมเธอถึงได้แทรกซึมเข้ามาแฝงอยู่ในอนุสติของฉันตลอดเวลาทำไมฉันไม่มีโอกาสได้เห็นตัวจริงของเธอบ้างเลยโดยเฉพาะอย่างยิ่งในภาวะเช่นนี้จะได้เป็นคู่คิดคู่ปลอบใจให้คลายกังวลบ้างตอนนี้ แม่ฉันจะอยู่ท่ามกลางพี่น้องเพื่อนสนิทและบ่าวผู้พักดีแต่ก็ไม่มีใครเข้าใจความรู้สึกแท้จริงของฉันเลยหาความอบอุ่นใจไม่ได้สักนิดเมื่อปราศจากเขาหรือเธอผิดกับเมื่อสมัยก่อนนี้นะัก ไม่มีเสียงตอบมาจากแงซายในจิตใต้สำนึกของหล่อนแล้วแล้วก็มีเสียงชาราออกอบไปด้วยความการุนยิ่งแผ่วแท้มาแทนเหมือนจะเป็นการเตือนสติว่าสัตว์โลกทั้งหลายยอมเป็นไปตามกรรมสัต โลกทั้งหลายย่อเป็นไปตามกรรมไม่ใช่เจ้าป่าเจ้าเขาหรือลุกเทพอากาศเสพใดๆทั้งสิ้นแต่น่าจะเป็นเสียงเทศนาของอาราหารันตหมหาฤาษีโกนทั ญ, ญะแห่งเทือกเขานิลการที่หลอนเคยไปนมัสการกราบไหว้ฝากตัวเป็นสิทธิในครั้งกระโ น, น้น ไม่คิดจะอาบน้ำต่อไปอีกแล้วในเรือนร่างที่เปลือยเปล่าดารินคุกเข่าปิดหน้าร้องไห้อยู่ในหมู่โขดหินหน้าถังน้ำที่ขยินตักมาให้อาบสองถังเต็มๆนั่นเองก่อนจะหลับไปด้วยความอ่อนเพลียในสาหยันนั้นประพินไพรวันจําได้เป็นครั้งสุดท้ายแต่เพียงว่าคริสติน่าได้เข้ามาดู ตอนที่เขานอนอยู่ใต้ร่มไม้สอบถามว่าไม่สบายหรือเปล่าซึ่งเมื่อเขาบอกว่าไม่ได้เป็นอะไรนอกจากจะ ง, งีบสักครึ่งชั่วโมงหล่อนก็กระซิบบอกว่าหลับและฝันดีนะฉันไปละแล้วชายผู้เกิดมาด้วยความอาภัพอับโชคที่สุดผู้นี้ก็หลับไปในทันทีแต่แทนที่เขาจะฝันดีอย่างที่คริสติน่าอวยพรให้ ในฝันมันกลับรายตาดเหลือประมาณก็ฝันชนิดใดเล่าจะร้ายสำหรับผู้ชายทุกคนเท่ากับฝันเห็นหญิงอันเป็นยอดสุดที่รักโดยเห็นแต่เพียงภาพเงาอันห่างไกลโบกมืออำลาห่างออกไปทุกทีทุกทีชนิดที่จะร้องตะโกนเรียกรนก็ไม่ยินยนหรือสนใจ จะวิ่งไล่ตามออกกำลังเท่าไร่ก็ไล่ไม่ทันสักทีจนหมดแรงสิ้นหวังภาพต่อไปก็เห็นดารินเข้าพิธีสมรสสมรักไปกับชายอื่นที่ไม่ใช่เขาดารินระพินสะดุ้งสุดตัวเตื่นจากภาพฝันร้ายนั้นยังไม่ลืมตาในทันทีคงหลับตานิ่งอยู่ตามเดิมเขารู้ ว่าขณะนั้นมันยังไม่คำ่ำแต่พลเพลเต็มทีแล้วตัวเองนอนอยู่ใต้ร่มพฤกษานกเขาป่าเหนือยอดไม้ขึ้นไปสะบัดขนเบาๆดูเหมือนตัวเดียวโดดโดดร้องจู้ฮุกครูอยู่บนนั้นเป็นนกเขาใหญ่ประสาทสัมผัสบอกว่าตาหลับ แต่ทำไมถึงมองเห็นไอ้ภาพในแสงสีหมากสุก ข, ของทิวาการก่อนจะลาลับไปนั้นแง่าสายใช่ไอ้หมอนั่นแหละไม่มีใครกำลังเดินตัดแสงสนธยาการเข้ามาแล้วสุดตัวลงนั่งบนถุงเข้าสารปลายเท้าเขาเยื้องออกไปเล็กน้อยพอเห็นกันได้ถนัดใบหน้าที่หมดจดเหมือนสตรีเพศแต่สง่างามแบบบุรุษเพศนั้น ยิ้มให้เขาผู้กองอย่าเพิ่งตื่นหลับต่อไปเถอะแงาายจะกล่อมให้ต่อมาอ้บ้าไมา่ละอ้าวแล้วกันนี่ตาผู้กองนี่เมื่อไม่อยากพบหล่แง่ทายไปก็ได้ร่างในชุดกระเรียงด ง, งนั้น ช่วยวินสีสีขีดสี่สิบจะยืนขึ้นแต่ละพินถอนใจอ๋อาาไม่ต้องไปหรอกไหนแกว่าจะร้องเพลงต่อมฉัเนเหรอแงส า, ายเอามือที่วางอยู่บนเขา่าเท้าคางตาเป็นประกายคมปราบจับนิ่งมาที่เขาไงกำลังฝันละไอยู่เลยปุกอง เออนี่อย่าฝันรายไปเลยนายหญิงยังรักผู้กองอยู่ยังไม่มีวันเสื่อมคลายหรอกแล้วแกรู้ได้ไง อ, อน้ า, ารู้กันแล้วกันว่าจะผู้กองเออฉันเหรอทำไม <laughs> หัวเราะแบบยั่วๆแล้วก็ร้องเพลงออกมาว่า น้ำตาลใกล้มดใครอดได้รสหวานเอมใจเตืนอนฤทัยให้ต้องพันพัวหวานสนิท อ, รอมริตเอมรสมดหินก็สันรัวเฮ้ยคนอย่างฉันน่ะไม่เคยเป็นมดใกล้น้ำตาลกับผู้หญิงคนไหนอ่ะอ้าวทีนี้ถ้าน้ำตาลมันดันมาใกล้มดเองล่ะปุกองนี่ๆๆเลิกพูดร้องเพลงบ้าบานที่อะ ทงนั้นเอาใหม่นะเอาร้องเพลงอะไรผู้กองฟังดีเนาะตอนนี้ผู้กองนอนเดียวดายอยู่ในป่าไม่ใช่เหรอก็เห็นอยู่นี่ได้ยินเสียงนกเขาบนยอดไม้นั่นไหมมันร้องยังไงผู้กองนี่นี่นี่ก็จะยั่วจะลุกขึ้นเตะจะให้ได้ว่างั้นเหอะ งั้นเอาใหม่ผู้ ก, กองฟังให้ดีนะบางทีถ้าตั้งใจฟังดีๆผู้ ก, กองอาจได้ยินเสียงของนายหญิงลอยลมตอบเพลงของแง่ายมา ก, ก็ได้